นี่ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยสี่สี่หมวดใหญ่ๆมีบับย่อยๆออไปอีกรวมแล้วยี่สิบกว่าบับ อ, อย่างหมวดกายแบ่งเป็นเก้าบับย่อยนในทั้งหมดเนี่ยแต่ละบับแต่ละบับลงท้ายเนี่ยท่านจะขมวดท้ายบอกว่าสติอันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นทุกข์ทุกขสัจจะ ปัญหาซึ่งมีมาก่อนคือปัญหาที่บงการให้เอาสติไปกำหนดรู้ลมหายใจคือเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยความพ้นไปจากทุกข์และสมุทัยคือนิโรธการปฏิบัตนะิที่รู้ทุกข์ละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเนี่ยคือการเจริญอริยมรรคพอถึงมวดอื่นๆให้ก็สอนอย่างเดียวกันสติอันกำหนดรู้จิตของตัวเองที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยเป็นทุกข์ สติเป็นตัวทุกข์นะเป็นทุกขสัจจ์ปัญหาซึ่งมีมาก่อนที่ทําให้เอาสติไปกําหนดรู้จิตใจของตัวเองรู้เวทนารู้อิริยาบถรู้อะไรก็ตามเถิในสติปัฏ ฐ, ฐานสี่ล้วนแต่สติตัวนั้นเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ปัญหาที่ทําให้กําหนดนะั่นแหละคือเหตุให้เกิดทุกข์มีพวกเราเรียนมาไม่เข้าถึงตรงนี้เราคิดว่าเอาสติจี้เข้าไปได้เรายิ่งดี เอาสติกำหนดได้บ่อยๆ ย, ยิ่งดีเราไม่รู้ว่าเราได้ทำเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาได้ตัณหาของเราเองสร้างความทุกข์สร้างความเครียดเพราะงั้นเวลาปฏิบัติธรรมจะเครียดมากกว่าเวลาไม่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าสังเกตให้ดียกเว้นตอนที่ใจหลงไปทำอะไรที่ไม่ดีนะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยกับเบาบางจางคลายยิ่งกว่าตอนปฏิบัติ แต่ทำไมท่านพาปฏิบัติท่านพาปฏิบัติเพื่อจะให้เราหัดสังเกตว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วเอาสติที่ไปรู้อารมณ์ทุกจะเกิดคือเพียนขึ้นมาในใจเพียดมากบ้างน้อยบ้างอาลองดูก็ได้ลองหายใจดูักตอนเนี้สังเกตไหมมันหนักกว่าตอนที่ไม่กําหนดเนี่ยทุกคนเกิดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือรู้ทุกละสมุทยัย รู้ทุกหมายถึงว่าถ้ากําหนดปุ๊บเราทุกรู้ทันมันนะละสมุทัยคือหยุดการกําหนดนะนะในที่สุดเราจิตของเราจะสักแต่ว่ารู้อารมณ์จะรู้เฉยเฉยรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงรู้โดยไม่ได้อยากกําหนดนะถ้าเมื่อไรารู้สักว่ารู้ได้เนี่ยธรรมะอีกชนิดหนึ่งจะปรากฏขึ้นนะพระพุทธเจ้าสอนท่านพายาิยะบอกว่าดูก่อนพายิยะในการใดแล นะเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจัเป็นสักว่าฟังนะเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านย่อมไม่มีไม่มีตัวตนนะในการใดที่ท่านไม่มีในปัจจุบันในอนาคตในระหว่างโลกทั้งสองในการนั้นคือนะจุดนั้นคือที่สุดแห่งทุกข์ส่วนพวกเราแต่งเห็นไมมเรามีเราอยู่คนหนึ่ง มีชั้นอยู่คนหนึ่งท่านพุทธท่านบอกมีตัวกูของกูมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราทั้งวันเลยดูทีใรก็มีเราเราอยากปฏิบัติเพื่อทําลายตัวนี้ไปบอกสักกายทิ่ผิไม่ดีมีตัวตนอยู่อยากละแต่ดูทีไรก็มีเราทุกทีเพราะอะไรตัวเรานี้เที่ยงหรือไม่ใช่ตัวเรานี้เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เกิดตัญหาเอาสติไปกําหนดรั้วลง ต้องเกิดตัวตนขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไร่สักแต่ว่ารู้นะความเป็นเราไม่มีตัวเราไม่มีพอมันไม่มีตัวเราแล้วเราไปเห็นเข้าอ๋อขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเท่านั้นก็รู้แจ้งในธรรมะแนะแต่เพราะเราไม่เข้าใจธรรมะตรงนี้ไงเราก็พยายามไปเกินจงกรมนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกทาอย่งาง น, น, นี้ในนี้โดยหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะละสั ก, กยัติทิฏฐิได้ละความเป็น เห็นว่าเป็นเราได้มันละไม่ได้เพราะเราสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมถ้าเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราจะได้พบอะไรอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ละอะไรไปสักอย่างเลยไม่ได้เสียอะไรไปเราก็ไม่ได้อะไรมาไม่ได้นิพพานมานะนิพพานไม่มีเจ้าของในครอบครองนิพพานไม่ได้เพราะฉนั้นทําไปแทไตายก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรคือไม่ได้ละ ว่าตอนนี้มีตัวตนปฏิบัติแล้วหมดตัวตนไม่ใช่ความเป็นไม่มีตัวตนไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วความปรารถนาตัวตนนี่ไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเราไปสร้างมันขึ้นมาเองเนื้อความไม่เข้าใจพอสร้างมันขึ้นมาเสร็จนะั้นเราก็หาทางละมันนีไ่ไปใหญ่เลยแทนที่เราจะรู้ทันจิตใจที่ไปหลงสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาถ้ารู้ทันเราก็ไม่สร้างความปรุงแต่งไม่มีขึ้นมา ตัวตนก็ไม่มีขึ้นมาไม่มีอะไรจะต้องละรตรงนี้ต้องฟังหลายๆทีเนะเาะโอเคไปแบ่งๆกินฟังมันยากยากมากๆเลยแต่ถ้าเข้าใจนะนะการปฏิบัติลัดนิ้วมือเดียวนิดเดียวจริงๆเราชอบปลูกตัวตนขึ้นมาแล้วก็หาทางละตัวตนคล้ายๆกับจูดีไม่ว่าดีนะเราปลูกยาพิษขึ้นมา ดื่มยาพิษเข้าไปปวดท้องแล้วก็ไปปรุงยาแก้พิษมาดื่มเข้าไปเราก็ปรุงอกปคูนขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ปรุงกูสนขึ้นมาเช่นหนุมหน่มๆสาวๆอันนี้มีแต่สาวๆ ส, สาวมากสาวน้อยสมมติว่าสาวๆก็แล้วกันไปเห็นหนุม่มๆชอบจิตปรุงราคะขึ้นมาก็รีบไปคิดไอ้หนุ่มนี่สกปรกโสโครกเนี่ย พยายามปรุงยาแก้พิษความจริงถ้ารู้ทันว่าตากระทบรูปจิตเกิดาาราคะรู้ว่าเกิดราคะราคะก็สลายไปไม่ต้องปรุงยาแก้พิษคืออย่าไปปรุงยาพิษขึ้นมาก็แล้วกันเพราะฉะันกปฏิบัติเนี่ยท่านเลยไม่ได้สอนบอกว่าให้หละทุกนะไม่ได้ให้หละกิเลสนะฟังให้ดีๆเนาะท่านบอกให้รู้ทุกให้หละสมุ ท, ทยัยคือความอยากเนาะ ของเรากับข้างเรามีความอยากที่จะลักทุกข์เราไม่ได้ละความอยากแล้วก็รู้ทุกข์นะแต่เรามีความอยากจะลักทุกข์เพราะงั้นเราภาคเพียนมากเลยเห็นความทุกข์เห็นกิเลสกิเลส น, นี่อยู่ในกองทุกข์อยู่ในสังข า, ารฐานอยู่ในกองทุกข์มีหน้าที่รู้มันเราเห็นกิเลสเราก็เกลียดมันนะอยากละมัน liter. ความอยากละเกิดขึ้นเราไม่เห็นเร า, เราปล่อยจิตใจเราก็ดิ้นใหญ่เลย มันไม่สงบพุทโธพุทโธพุทโธเอยากละมันตรงอยากละนี่ทุกเกิดแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้มีข้อยกเว้นนะว่าถ้ามีสมุทัยในด้านดีเ้วจะไม่ทุกข์ไม่มี อ, อยากดีๆก็ทุกข์อย่างคนดีๆอยากร้ายๆก็ทุกข์อย่างคนร้ายๆอ่าตอนนี้เกิดเป็นอะไร ตอนี้จิตถ้าวาไปก็เป็นจิตที่เป็นกุศลนะจิตฟังธรรมะหลงไหมหลงนะแต่หลงอย่างดีๆนะอวิชชาความหลงความไม่รู้เนี่ยปรุงแต่งสังขารได้ทั้งลกทั้งสงามแบบเลยทั้งปุญญาที่สังขารนีน่กะ็เอาวิชาเป็นคนปรุงความหลงเป็นคนปรุงนะอย่างพวกเราตอนนี้จิตเป็นปุญญาที่สังขารจิตมันปรุงบุญขึ้นมา จิตอวิชานี้มันก็ปรุงนะอับปุญญาที่สังขารปรุงบาปก็ได้ปรุงอเนินชาที่สังขารปรุงสมาธิชาญสมาบัติี่มาก็ได้มันเป็นผลงานของอวิชานะเพราะงั้นเราเข้าใจนะตอนนี้กําลังหลงหลงเกลี้ยงเลยทั้งห้องเลยนะเห <laughs> <laughs> ลือพระพุทธรูปองเดียวไม่หลง <laughs> ดูตัวเองนะฮะดีแล้วแหละเนี่ยต้องรู้สึกตัวอย่างนี้นะอย่าน้อมเข้าไปจะเคยชินโยมจะเคยชินกับการน้อมเข้าไปให้นิ่งๆข้างหนตรงนั้นได้แต่วุบวูบว่าป้าไม่ละกิเลสอนะ่ะเพราะมันไม่มีปัญญาแท้ๆปัญญาเกิดเกิดการเห็นสภาวธรรมที่มันเกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วก็ดับนะอกุศลเกิดแล้วดับสุขเกิดดับทุกเกิดแล้วก็ดับมีแต่อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดดับแล้วก็จะพบอีกอันหนึ่งว่าถ้าเมื่อไรจิตหลงเข้าไปยึดจิตทุกข์ ถ้าจิตไม่หลงไปตังคนทางอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ทุกขรอกนะก็จะเห็นตรงนี้ฝึกมากเข้ามมากข้าจิตถ้จะหลุดพ้นคําว่าหลุดพ้นคือจิตเป็นตัวของตัวเองไม่หลงตามอารมณ์แต่อ้าวหลงไปแล้วใช่ไหมจิตไม่หลุดพ้นละจิตสุขผังนี่หลงนะอย่างนี้หลงเหมือนกันตั้งใจนะนายหลงนะทำความรู้สึกตัวสบาย มันผิดธรรมชาติรู้ไหมตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติกับ ต, ตอนนี้ไม่เหมือนกันสราบไหม <c oughs> ยัมงมองความต่างไม่ออก <c oughs> ตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้ไหมเมื่อกี้มันเกร็งๆอะ่ะรู้ไหมแข็งๆเกร็งๆเราไปสร้าง ม, มันขึ้นมาการรู้ตัวที่แท้จริงไม่แข็งไม่เกร็งแต่ไม่หนัก ถ้าแข็งแข็งก็เรื่องไม่ใช่ละหไม่ใช่มูทุตามุทุตาต้องอ่อนโยนถ้าหนักหนักไม่ใช่ละหูตาไม่เบาใช้ไม่ได้จิตใจหรือทาตัวเองแข็งทื่อทื่อไม่มีปาคุณตาไม่คล่องแคล่วใช้ไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่นะเป็นจิตที่สงบระงับตั้งมั่นอะไรมาก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วาง สัตสิสงบเรือนับไม่ใช่รู้อะไรก็เติมรู้อะไรก็เติมนี้ไม่ใช่มีความเบาถ้าหนักหนักขึ้นมาไม่ใช่ผิดแล้วมีความอ่อนถ้าแข็งขึ้นมาไม่ใช่ผิดแล้วแก่ต้องระวังนะตรงแข็งขึ้นมามันผิดแล้วถ้าแข็งขึ้นมามีความควรแก้การงานคือไม่ถูกนิวณ์ครอบงํา มีความคล่องแคล่วสติดว่องไวไม่ช้าช้าไม่เฉยเฉยไม่ซึมซึมแล้วก็ซื่อตรงอุชุกตาตัวสุดท้ายซื่อๆซื่อๆตรง น, รงนี้ตรงกับภาษาอีสานอะไรเกิดขึ้นรู้ไปซื่อๆรว้ไปธรรมตาเนี่ยอุชุกตารู้อย่างซื่อๆตรงๆโกรธเกิดขึ้นรู้เออโกรธนะโรคเกิดขึ้นรู้เออโรค ไม่ใช่รู้แบบไม่ซื่อโกรธเกิดขึ้นมัง้งจะละมันยังไงไม่ซื่อละไม่รู้อย่างซื่อตรงไม่จํ า, า, เ, าเป็นอนะถ้ารู้อยู่ที่ใจที่เอ ง, องนะเพราะว่าการกระทําทางกายว่าจะออกมาจากใจอย่างเช่นความสงสัยเกิดขึ้นในใจเรานะเรารู้ไม่ทันว่ากําลังสงสัยอยูนะ่เราก็อยากถาม เราก็ยังไม่รู้ทันว่าอยากถามแล้วก็ถามเหม็นไ้ยพฤติกรรมทางวาจาเนี่ยเกิดมาจากพฤติกรรมทางใจหรือเราเบียดใครสักคนอยากจะเอาน้ํากรดไปสาดเนี่ยมาจากใจก่อนใจมาก่อนทําทั้งหลายเนี่ยใจมาก่อนเราั้นถ้าเรารู้อยู่ที่ใจอันเดียวเนี่ยเราคุมกายวาจาใจได้หมดเลย ค, ลอคนะ ร, รอบคลุมไม่ใช่ควบคุมนะรู้ได้ครอบคลุมหมด ไม่ใช่ปิดควบคุมถือศีลก็ต้องถืออย่างฉลาดถือศีลก็ด้วยความมีสติถ้าเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเ ร, เรามีสติในความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความโกรธครอบงําใจไม่ได้ศีลข้อหนึ่งไม่ผิดนะความโลภเกิดมาเรารู้ทันข้อสองข้อสามไม่ผิดละเหมือนเช่นนี้ศีลเราจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องครอบสติ ใจของเราจะตั้งมั่นได้ก็เพราะมีสติถ้าใจเผลอสติอย่างขณะเ น, นี้ไม่ตั้งมั่นไหลไม่ตั้งมั่นแล้วสมาธิเนี่ยต้องมีความตั้งมั่นมีรู้ตัวอยู่มีสติอยู่ศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ใช่ตอนเช้าอารัธนาศีเนาะตลางวันนั่งคิดอะไรบอกเจริญปัญญากลางคืนนั่งสมาธิเคลิมงอกแงกงอกแงกหมดทาสมาธิ หีนสมาี่ปัญญาแยกกันอยู่คนละเวลาใช้ไม่ได้นะไม่ใช่มรสมังคีมกสมังคีต้องทำให้มันอยู่พร้อมๆกันอยู่ตรงรู้สึกตัวเหลือละทราบไหมได้อย่างนี้ได้รู้ตัวละนะเห็นไหมว่าสบายไม่มีอะไรสบายโดยไม่ได้บังคับเลยไม่เริ่มไปคนกวาละเข้านะใจไหมเริ่มไหลเข้าไป ด้วยทันมันนะอะพอหรือยังเออ <laughs>